วันนี้ก็มาพบกันอีกพักหนึ่งเราต้องพูดกันเพื่อทำความเข้าใจวันนี้เป็นวันที่14สิงหาคม2526ตรงกับวันอาทิตย์และเป็นเดือนเก้าึ่ง วันนี้ที่นี่วัสนมใหม่ใกล้กับทางรถไฟคนจะเข้ามาวัสนะใหม่ต้องเดินผ่านข้ามทางรถไฟการเดินผ่านข้ามทางรถไฟก็ต้องระมัดระวังเดียวจะรถไฟชนเอาดีไหมเนก่องจากใกล้สถานีบางบำรุ ที่รถไถจอดที่นั้นดังนั้นพวกเรามาที่นี่ก็ต้องพยายามศึกษาตัวเองวันนี้เราให้ฝังเราศึกษาตัวเองและให้รู้ตัวเองแล้วขอปฏิบัติตัวเองเข้าใจตัวเองสัมผัสตัวเองอย่ารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมเมื่อพูดถึงธรรมวันนี้ก็จยาก สาทิตวาเนี้สาธิตทําจังหวะให้ดูที่จะสาธิตวันนี้ก็เพื่อความเข้าใจที่ได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์แต่สมัยเมื่อเป็นเนมเมื่อเป็นเนมครูบาอาจารย์ท้งสอนนั่งอย่างนั้นกราบอย่างนั้นนั่นเป็นการรู้มาจากตำลับตำลารู้มาจากครูบาอาจารย์ คำวราบอย่างเบ่งจังข้าประดิษฐ์ทาทั้งสอนตัวตมาได้ทํามาอยู่เป็นเวลาสามสิปีทําอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนมันนั่นแหละก็ดีมากเหมือ น, นกันแต่ว่ามันไม่เข้าใจดีแบบไม่รู้อย่างที่พูดแล้วควรอยากไม่รู้กับควรอยากรู้มันคนละเรื่องกันอันนั้นดีดีแบบอยากไม่รู้ นก็จะนำมาสาธิตใหญาติโยมและเพื่อนภิกษุสัสมานเณรดูว่าอะไรจะดีที่เราทำมาใหม่ๆไม่ได้ทำมาใหม่ๆแล้วทำมาตั้งแต่ดึกดำบันสมัยครั้งพุทธกาลคุณแหลท่านว่าราบเบนจังขปดิษฐานพอที่พูดถึงตรวนี้ก็จะสาธิตให้ดูครูบาท่านสอนอย่างนี้สอนผู้สายต้องนั่งอย่างนี้ เอหัวเข้ากับศอบเนี่ยที่ตอนนี้เอาหัวมาทุ่งัีเงยขึ้นมาอย่างนี้กันคนนี้เดินจังคับปดิท่านคนนี้อันนี้เป็นการเรียนมาจากครูบาอาจารย์่ได้ศึกษามาแต่เมื่อสมัยเป็นเดน นกกดูแล้วญาติโยมและเพื่อนที่ศึกษามะเรงก็ได้ดูแล้วว่าเอเ่นเข้าใจดูได้ตอนนี้เมื่อจะมาไปเจริญสติเจริญปัญญานีนเกิดความคิดขึ้นมามางแบบแนวกันนั่นก็ดีแล้วแต่ว่ามันยังไม่สวยก็เลยมากกาบอย่างนี้บัดนี้นี่ก็เป็นเบญจคัปปะดีกันนี่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหนึ่งสามสนอสาสี่ห้าเข้าเข้าใจวันนี้โองนี้มันกับเรือที่ที่เราทำมันมั้ น, ม, นมันไม่เหมือนกัน ข้เบงจังข้าประเด็ชขวับพร้อมด้วยองค์ทั้งห้าคือมีห้าจังหวะห้าเวทีและตอนนี้มันก็ไม่เหมือนกันเละการนักก่นโมตัดตะก็เข้าใจมันถูกต้องนั่งโมตัดสะกเพราะขวัโตแล้วขอนบน้อมนบเอาไว้ที่ตรงไหนน้อมเอาไว้ที่ตรงไหนมันเกิดมีคนเข้าใจสาสต์ซึงตัวเองแล น, นการศึกษาตัวเองนั้นจึงเป็นที่พึงใจจริง พ้นในจริงๆตนเป็นที่พึ่งของตนทำสอนจะไปพื่งคนอื่นไม่ได้มีความสงสัยลังเลใจอยู่ย่างนั้นแหละดังนั้นเมื่อมาพูดตอนนี้ก็เต็มวิธีราบแล้วใครชอบอยังไงก็เอาไม่ใช่บังคับถ้าหากเป็นการบังคับไม่ดีเพราะพุทธศาสนานี่สอนโดยคนจริงใจ ไม่ได้มีสินจ้างรางวัลใครต้องการก็เอาไปใช้ได้ใครไม่ต้องการนีคะแล้วไปท่านสอยอย่างนั้นเนทีที่สอนนี้แต่เนโมตระสัยที่เรียนนั้นไม่แปลเหมือนกับเจ้าคุณพูรธฐาเจ้าคุณพูรธฐานี่แตลไปอีกอย่างหนึ่งก็เลยมาเข้าใจคาพูดของเจ้าคุณพูรัาาอีกแบบหนึง่ง เจ้าคุณพุทธทาสท่านแปลนโมตัสะนโมตัสะพระคาวะโตแปลว่าขอนอนอัลฮาโตแปลผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสัพตัดสู้เองโดยชอบท่านแปแลเลยมันแต่สมัยเมื่อเป็นในเรียนแปลคับครูบาอาจารย์นโมตัสะพระคาวา โ, าโตแปลว่าโชคดีอัลฮาโตแปลผู้ไกลจากข้าศึก โกโก้ายคากันแต่ว่าโชคดีอันหนึงอ่ะอันนึ่งนกน้อมไม่หน่จะขาดสิสัมมาสัมพุทธสัจารู้จริงรู้จริงไม่แต่รู้จำไม่ใต่รู้จักรู้จริงสอนเราดูจริงมันเลยเข้ากันได้อันนี้รู้จริงรู้จริงไม่มูตศาสนาแต่ว่าขนนกน้อมนกน้อมจริงๆริงได้ยางไง ตัวเองจริงๆจริงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมคนนั้นไม่เห็นเราจะจับสายจีวรของเราตถาคตอยู่ก็ไม่เห็นเราตถาคตเราเคยได้ยินกันอย่างนี้คาว่าเห็นธรรมมันอยากเข้าใจว่าเห็นเป็นตัวหนังสือสีแสงผีเทวดานรกสวรรค์อันนั้นถูกน้อย ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงที่พูดี่ถ้าเห็นตัวเรากําลังเคลื่อนไหวถูกร้อยเปอเซ็ไม่ผิดหรอไม่ผิดจริงๆ จ, จะเป็นการเคารพธรรมเคารพคนอื่นร้อยครั้งพันหนสู้เคารพตนเองทีเดียวไม่ได้พันสอนอาอัศนะคนอื่นร้อยครั้งพันหนสู้อัศนะตนทีเดียวไม่ได้การเคารพตัวเองก็ต้องรู้จักตัวเอง กาเอาสนาตัวเองก็ต้องรู้จักตัวเองจึงจะเอาสนะได้ถ้าไม่รู้จักตัวเองเอาสนะตัวเองไม่ได้ถ้าไม่รู้จักตัวเองเคารพตัวเองไม่ได้เดี๋ยวก็จะไปไหว้ผีไหว้เทวดาไม่อะไรที่ไหนไม่ทราบเนาะเพราะคนไม่มีที่พึ่งคนไม่มีที่พึ่งกับคนมีที่พึ่งมันไม่เหมือนกันไม่จะเดินทางไปตามถนนก็ไม่เหมือนกันนี่เป็นอย่างนั้น ดังนั้นวันนี้จึงจะนําความจริงมาเล่าสู่กันฟังลักษณะจิตใจของคนเหมือนกันทุกคนไม่ว่าหญิงชายพระสงฆ์องค์เลนเหมือนกันในสมัยนั้นอาตมาไปปฏิบัติธรรมก็เป็นโยมอย่างที่โยมเนี่ยนี่งการเตกงขาสั้นขายาวเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวคอรูปเหมือนกันพระก็มีจมํานวนมากไปปฏิบัติ ก็รู้ไปเหมือนกันแต่ไม่ไปเหมือนกันอันนั้นรู้ไปเรื่องใดไม่ทราบรู้ไปถึงนรกรู้ไปถึงใต้ดินรู้ไปถึงดวงคท็จผ้าเท็จอยู่ใต้พื้นดินมันหมูนอยู่อั่งนั้นมันอันนั้นมันไม่ตายเห็นที่เทตมารู้เนี่ยดวงที่เขาเห็นผ่าที่จริงๆใครก็รู้ถ้าเห็นเราก็ต้องเห็นเราจริงๆมันเห็นหมาอย่างนี้คืออ๋อนี่ยป็ของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปแปรผัน เึงจะรู้มันก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้มันก็เป็นอย่างนี้เมื่อรู้อันนี้แหละลักษณะจิตใจของเราเปลี่ยนจากขอมเป็นคนมาสู่ความเป็นมนุษย์ได้แล้วคำว่าคนมันอยู่ตรงกลางเดียวกับไปข้างดีเดียวก็ไปข้างทั่วคนมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจเองอย่างนี้นะพูดนี่พูดตามคนจริงใจไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงใครทั้งหมดพูดด้วยคนจริงใจ มนุษย์จึงแปลว่าผู้มีจิตใจสูงมนุษย์ไม่ใช่คนนะแต่ว่าคนแต่ใจมันไม่ใช่คนมันเป็นมนุษย์มนุษย์จริงแต่ผู้จิตใจสูงคือคมหลงไม่เข้ามาครอบงํากัำว่าได้เพราะลูกของจริงะพึ่งตัวเองได้อันนิพนธ์แปลว่าจิตใจสูงแต่ไม่ได้เป็นอาญาบุคคลเป็นเจียงจิตใจสูง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 แนวิธีให้ปฏิบัติเอาเองสอนไม่ได้เรียนไม่ได้จําไม่ได้ด้วยนี้ไม่ใช่ว่าเรียนตามตัวหนังสือเรารู้ไม่ใช่อย่างนั้นได้ไปถามคนนั้นคนนั้นคนนี้เรารู้ไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องจิตใจมันไม่ใช่เป็นเรื่องเรียนเป็นเป็นเรื่องศึกษาเรื่องปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงจริงบัดนี้ก็ละหันเข้ามาว่าสมมติบัญญัติป a r a m a บัญญัติ อัฐะบัญญัติอริยะบัญญัติเมื่อรู้รูปนามนี้รู้อย่างสมมุติกับปรามะเท่านั้นส่วนอัฐะบัญญัติกับอริยบัญญัตินั้นยังไม่ปรากฏการยังไม่รู้แต่รู้รู้เพียงสมมติบัญญัติกับปรามะเท่านั้นสมมุติก็คือสมมตินามโมหานของสาวโ ล, ปลกปรามะก็แปลว่าของจริงมีจริงกําลังสัมผัสกําลังแต่ต้องมีเขาเรียกเป็นปรามะและบนันทึกอัฐะบัญญัติ อริยบัญญัติอัฏฐะเขาว่ามักแตกเขาจึงยกไปว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชิวะสัมมาวยจมะสัมมาสาติสัมมาสมาธิเขาพูดไปทางนู้นแต่ควรมจึงอัฏฐะไม่ใช่อย่างนั้นอัฏฐะแปว่าลึกเขาว่านี้เหมือนกับน้ําในพื้นดินเนี่ยเหมือนลึกไม่มีใครสามารถที่จะมองเห็นว่าน้ําที่ตรงนี้นี่ย ไม่สามารถที่จะทะลุลงไปใต้ดินนี้ได้แต่เมื่อคนแข็งแรงนี้ขุดลงไปที่นี่ถึงน้ำจริงๆเมื่อถึงน้ํำจริงจะรู้ว่ามีน้ําจริงจิอันนี้เขาเรียกว่าอัฐะบัญญัตอิอันทีบัญญัติคือผู้ที่เป็นญาติบุคคลอันเรลยกวค่าสิบยะติบุพคลไปพอมันจะความสงสัยอมันจุความรังนในใจก็เรียกวา่าอญาติบุคคล เข้าใจไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพระโสดาพระสักกีคาคาพระอนาคาพระอนาหันอันนั้นเป็นเรื่องคําพูดที่พูดนี่พูดโดยคนจิงใจจึงว่าทุกคนเป็นได้พระสงฆ์องค์เนนปฏิบัติก็เป็นได้ฆราวาสญาตโยนปฏิบัติก็เป็นได้เป็นสําหรับ จ, จิตใจถ้าไม่ใช่ว่าร่างกายเป็นนะถ้าร่างกายเนี่ถ้าอยากมาลื้่ผ้าเหลืองก็ต้องโอนหัวแล้วก็เอาผ้าเหลืองมาสมมติกันขึ้น ได้แต่เรื่องจิตใจนั้นเป็นไม่ได้พ่อเคยบวชมาแล้วสองครั้งสมัยเป็นเมนก็บวชมาแล้วจิตใจไม่เป็นอย่างนี้เมื่ออายุยี่สิบปีก็ไปบวชอีกจิตใจมันก็ไม่เป็นอย่างนี้คราวนี้ไม่ต้องได้บวชแล้วไปปฏิบัติเป็นโยมมันก็รู้อย่างนี้จิตใจนี่มันจริงโอ้นี่มันมันไม่ใช่เป็นการเรียนมันเป็นการปฏิบัติให้มันเป็นเองควรมเป็นเองนี่เนี่ยท่านว่า มันเป็นธรรมชาติควรเป็นเองนี่แหละทั้งหมดมันเป็นธรรมชาติเราไม่รู้จักธรมธรมชาตินั่นกว่าธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาเราไม่รู้จั ก, กอดเจนของธรรมชาติแล้วก็โพูดได้เป็นอย่างนี้นั้นเขาเรียกว่าคนสําหรับมนุษย์มนุษย์เขาก็พอมองเป็นฝั่งฟั ง, ฟงพอรู้เรื่องที่พูดนี้คําว่ามนุษย์นี่แปลว่าฟังได้คิดตามเป็นวานนี้มีคนมาถาม เรื่องที่เขาพูดกันว่าคนเป็นอนันตริยกรรมเขาว่าบาปหนะักข้าพอ่อตีแม่ข้าคนจะปฏิบัติธรรมะได้ไหมเข า, ายัางถา น, นอ่ะเธอไปรู้ได้ยังไงก็มีอาจารย์หลายคนพูดให้ฟังว่าปฏิบัติธรรมะไม่กล่านะไม่ขึ้นไม่รู้เขาวาอย่างไงอ๋อนั่นคำพูดของคน แต่สําหรับตัวของอาตมาพูดนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นใครก็ได้แต่ไม่ได้สอนให้ฆ่าคนนะนี่ไม่ได้สอนให้ฆ่าคนพอดีมีผู้มาสอน เ, นเลิกทันทีเราจะไม่ฆ่าคนต่อไปเราจะไม่พูดกับคนที่คําไม่ดีต่อไปคือเราจะเลิกละทันทีนั่นหลยปี้เลยลลจีเจนปี้เลยอย่าง ม, มันไม่ได้ปี้อย่นี้มันจีเจนตั้งที่แรกมันเม็ดนาย วนนี้พูดให้ฟังจิตใจมันตั้งตัวเี้ยเต้นตะแคงขึ้นหมายืนหลับมาข้างนี้ก็รับมาข้างนี้ก็รับมันรับได้เนี่ยคนที่ที่สอนเนี่นะไม่ได้สอนเอาคนจริงมาเล่าให้ฟังถ้าขั้วหน้าอยู่เหล่าเนี่ยไม่มีโอกาสที่เปิดขึ้นมาได้ถ้าเปิดตรงนี้ก็ไม่มีโอกาสที่ขั้วมาันจะไม่ได้เป็นดังนั้นอาจจะมาก็เลยพูดให้เคยได้สอนมาแล้วคนเนี่ยเป็นคนเมืองลา สมัยนั้นสงครามเมืองลาวสงครามฝรั่งเศสพูดวามจริงสู่กันฟังอันนี้เป็นกลมจริงได้สอนกันคนนั้นเป็นเด็กน้อยอายุในเกียนหกปีเป็นผู้ายและบันี้่เขายึดเมืองลาวใกล้ๆกันกับเมืองใกล้ๆกันข้ามโขงไปเมันเขามันมีสักสมบัติมากพอสมควรบันนี่พอดีเป็นสงครามกันแล้วบ้านน้อยมันก็ต้องสู้บ้านใหญ่ไม่ได้ คนบ้านใหญ่ก็ต้องมีเครื่องมือมีตํารวจมีอะไรก็ตามเนี้ยไปขนเอาไวาเข้ามาเอาเงินเข้ามาเอาจนหมดทีเดียวพอดีพอเขาก็ถูกตายพอเขามันเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านเขานั้นยิงฆ่าพ่อเขาแล้วก็เอาของมาได้เด็กน้อยก็อยู่ไม่ได้ก็เลยข้ามมาเมืองไทยเนี่ยเปนองั้นพอดีอายุยี่สิบปีมันสังไปในมันสมองคอนโทรโอปาทางมันยึด <c oughs> พอนี้มันก็คิดอย่อยางนั้นเลยอายุยีสิปีมันกระบดโบดเป็นพระเหมือนอย่างที่ธรรมดาระบบดนั่นแหละซึ่งออกไปมันก็มีครอบครัวมีครอบครัวก็ธรรมดาคนเมืองลาวมันต้องข้ามไปเมืองลาวถึงจะมาอยู่เมืองไทยมันก็ไม่ได้นานมันต้องข้ามไปเมืองลาวเองในยุคเมืองลาวเขาให้เป็นตัดแสงเป็นตัดแสงก็เท่ากับเป็นอำเภออำเมออำนาจใครได้ทำผิดมันสั่งจับ จับแผลตะเท่งลงน้ำเคนนี้บอกว่าที่รักไม่ดีคนนั้นมาสอนคนนี้หนูสืบถามว่ามันไม่ดีจริงๆเอาไปเก็บมันทําไปอย่างนั้นแต่ว่าตัวเองมันไม่ได้ทําแต่ว่ามันเพียงให้คนอื่นทํามัน้อยให้ฟังแต่ตัวเองมันทําประมาณจากสองสามคนมันทำจริงๆเรื่องนี้ก็เลยเล่าให้เขาฟังพอดีคนที่ฆ่าพอมันมันก็มาเก็บตัวออกมันนี้อำนาจมันก็มาเก็บตัวออก มันเป็นเเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงก็เลยไปปฏิบัติธรรมมกับหลวงพ่อนี่เองสมานั่นหลวงพ่อบวชใหม่ไม่ใคยบวชนานบวชให ม, ใหม่แต่ปฏิบัติธรรมมาแล้วก็สอนเป็นญาติเป็นโ ย, ยมสอนอยู่เป็นเวลาสองปีกว่าก็เลยมาบวชเราก็เลยไปเมืองลาวเพราะเรามีพี่มีน้องอยู่เมืองลาวมากเขาก็เลยขอร้องอยากปฏิบัติธรรมปฏิบัติก็ได้ ผมจะรู้ได้ไหมเขาทําอทําไมจึงไม่รู้เธอกินข้าวเป็นไหมกินเป็นนอนหลับเป็นไหมเป็นถายอุจจาระปัสสาวะเป็นไหมเป็นเธอเลิกละคุณชั่วได้ไหมได้พูดแค่นั้นก็นเลิกทันทีเลิกวันนั้นเข้ามานอนในวัดปฏิบัติในราวจากสิบกว่าวันก็โดดออกมาจากห้องมาฐานเลยร้องขึ้นอย่างแรงๆหลวงพ่ออะไร แผ่นดินยะเอาพมแล้วนี่มันอุปาทานอเธอลืมตัวเนี่ยลืมตัวเลยเนี่ยแผ่นดินจะงะทำไมแผ่นดินมันต้องหนาโอ้โหเธอจะคิดเอาบ้าบ้าบา บ, าบาทำไมมันโลดสึกตัวแผ่นดิ น, นยะกินคนหมายถึงคนที่ไม่เข้ารบไม่นับถือหมายถึงมาทําผิดได้มันยอมเปลี่ยนแปลงมันยอมแก้ไขตัวเองถ้าเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองแล้วมันก็หายไปได้ เนีย่ยไางไก็รู้ธรรมะได้เหมือนกันก็ตายแล้วเดี๋ยวนี้ตายแล้วแต่เป็นจากรลงนั้นเดียวครับ น, นี่ครับหือนพ่อตายแล้วแต่รู้ธรรมะรู้ธรรมะเหมือนกันมันรู้ธรรมะอยู่ประมาณจากสิบกว่าปีนี่นะนี่เป็นกลมจริงที่ว่าใครพูดยังไงเขาฟังได้เรื่องของคนอย่าไปจดจํามันมากบางทีคนนั้นอาจไม่รู้พูดไป ก็ได้ไรืบางทีคนนั้นอาจรู้พูดไปก็ได้แต่เราต้องพึ่งตัวเองจริงๆเอาความรู้มาจากจิตใจตัวเองมาสอนคนในเรื่องการฟังธรรมจากแล้วกันไปไม่รู้ว่าเขาจะมีครามรู้อย่างไรไม่ทราบแต่คนนั้นเขารู้ว่าหลวงพ่อบทแล้วเขาก็ดีใจ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 เขาอีสานมีจังหวัดสุบนอำเภอวารินวัดตาโงเป็นป่าทึบห่างจากตัวอำเภอรประมาณ6กิโลอาจารย์ชาเป็นผู้นำสอนอยู่ที่นั้นอาตมาก็ไปอยู่ด้วยหลายวันหลายวันออกจากนั่นก็มาทางศิสเกตมาทุกจังหวัดล้วไปสมทุกจังหวัดสำนักได้ดีก็ไปตลดปิดเปิดเปิ่มไป ที่หัวหินมีพระอาจารย์องค์หนึ่งเนี่ยไปนอนกับท่านสามคืนท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านว่าท่านจะหอได้แต่ท่านดีท่านอ่ะจะหอทำไมครูบาหลวงพ่ออย่าลุกนะท่านคิดว่าท่านจะหอท่านอย่าลุกนะให้มันหอไปเองผมอยากโดดไปข้ามทะเลไปทางโน้นท่พิถ้าโดดไปไม่ได้มันเป็นเหว ข้าวเหนาอยู่นี่มันจะยกไปแล้วมันไปได้ท่านไปเองมัน้นกับพูดให้ท่านฟังท่านทรงโอวันติมสู่กินท่นดีแล้วก็พูดให้ท่านฟังอันนี้ประวัติแสดงคนยังไม่รู้จิตใจตัวเองคนไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองไม่จะไปรู้ตัวเองได้ยังไง ร, รู้มีเขารู้แต่ไม่รู้จักใจตัวเองไม่เห็นซีวิตตัวเองไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองก็ เ, เรียกว่าคนหลง ถึงจะเป็นพระก็หลงเป็นเมนก็หลงเป็นโยมก็หลงเป็นใครหลงทั้งนั้นเนี่ยทาสอนอย่างนี้บอนนี้<ม>คนรู้ตัวเอง<ม>เห็นชีวิตตัวเองเป็นโยมเขาเรียกเป็นพระได้เขาเรียกพระเรียกบุคคลขั้นตน้นเขาเรียกพระโสดาบันบุคคลขั้นมากบริอาพวกกันไปแค่นั่งก่อสมควรแล้วจากนั้นก็เดินไปถึงส่วนโมก อาอยุส่วนม่อไปมัดเหล็กมัดเหล็กท่านทำเรือเจ้าคุณมุรธาตุทำเรือล้างหินมีโยมคนหนึ่งไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเขาจำได้ซือเน็ตคนนั้นเป็นคุณกีเป็นล่างหีนด้วยกันพอดีไปเจอเขาจำได้หลวงพ่อมาหยุดเมื่อไหร่เอามาดได้นงานแล้วเอาเงินไปให้ห้าพันคิดถึงหลวงพ่อพูดกับฉัน สมัยล่างหินเขาว่าเราจําเขาไม่ได้คือเอยงยเดี๋ยวนี้เขามีโรงเปิดเปิดเป็นโรงกึงสองโรงก็ดีเหมือนกันประโยชน์ที่นั่นก็นานขึ้นภูเขาทองขึ้นเขาหนังเอกไปที่ไหนไปชมตามป่าตามโดมมันนั่นแะดีเหมือนกันจากนั้นก็ขึ้นมาขึ้นมาบ้านเราทีละ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 ถ้าเรายังไม่รู้ไปสัมผัสไม่รู้ไม่รู้จริงๆแต่คนอื่นอาจจะรู้ตัวตะมาไม่รู้จริงๆเข้าไปสัมผัสกูบาจาันไม่รู้จริงๆเมื่อบวชเข้ามาในีรกสามสี่ห้าปีแล้ว<อ>ไปสัมผัสกูบาจาันดีทุกองค์อดีดีทั้งนั้นนี่ปัญหาที่จะแก้ทุกทุนให้ฟังพอดีรู้เรื่องรูุมน้ำแล้วหมดทุก ความสงสัยเรื่องสมุทรผีเทวดานระกสวรรค์บาบูมุดขิงแต่ยังวามโกรธไม่ได้แก้ขมโกรธไม่ได้เพราะยังไม่รู้จั ก, กจิตใจมันเคลื่อนไหวยังไม่รู้จั ก, กจิตใจมันคิดตกเย็นมาเดินจมกมเดินไปเดินมามันมาผักตรงข้างนี่โยกเนื้ออะไรเรามองไปนึกว่าเป็นคนมาพักข้างเราไม่เห็น ครั้งที่สองมาโยกนึงเอ๊เราเอ๊มันคิดนะมันคิดดูลงไปเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้มองไปอย่างนี้นะดูอย่างนี้แบบเดินไปมันคิดอ๋อมันคิดก็เลยขยับเข้าทำเหมือนแมวกับหนูพอดีหนูออกมาแมมจับทันทีอ๋อมันอย่างนี้พี่พอได้มันคิดตุ๊จับปับคิดตุ๊จับปับพอดีมันเป็นอย่างนั้นคิดมาลอยเรื่องเรารู้ทันลอยเรื่อง ขึ้นมาเมื่อเรื่องเสียเรื่องรู้ทันเมื่อเรื่องจิตใจมันเปลี่ยนจากภาวะไปเลยทําให้จิตใจที่มันมืด อ, อยู่นั้นสว่างขึ้นมานับรองว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนไม่หนวกหูเพราะมันมีคนเหมือนกันมเนี่มันเป็นคนเหมือนกัรมเ น, นี่นี่สอนหมากไกร้ายไม่ต้องไปไกลคําสอนไม่มากที่พูดนี้พูด น, น้อยพอดีเป็นอย่างนี้มันรู้รู้เห็นเข้าใจสัมผัสได้ นี่เรียกว่าอัตตาบัญญัติแปลว่ลึกยากบุคคลจะเข้าใจอย่างนี้อริยบัญญัติก็ต้องเป็นอริยบุคคลจึงเข้าใจได้นี่ยมันเข้าใจเองไม่ต้องถามใครที่ไหนเลยเรื่องนี้อาตรมาไม่เคยถามใครที่ไหนเลยไปเจอคนว่ามันผิดเออมันผิดของท่านเป็นผูก ข, ของเราเราต้องมั่นใจไว้มันดีอย่างนี้ครูบาอาจารย์จะได้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันผิดต้องเรียนอาจจะไปเรียนทาํามมันจบแล้วนี่ มันจบทำไมแล้มันจบเหมือนเส้นทุกขไม่ใช่เรียนพราไตไปิฎกสามปีดอ ก, กกีรติจบไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> เรียนเรื่องชีวิตนี้เองคนเรียนเรื่องชีวิตจบแล้วก็หมายถือว่าไม่มีทุกข์เขาเป็นอะจบกันเลิกกันได้เรือ่องวันนี้ <c oughs> พอดีไปอย่างนั้นพูดให้ฟังคนได้มีความโกรธมากจะเห็นรููเข้าใจสัมผัสข่มโกรธก่อนคนใด้มีคมหลงมาก จะเห็นรู้สัมผัสโมหะคือโกงหลงโมหะก่อนคนใดมีโลภามากจะเห็นรู้สัมผัสโลภก่อนคนใดคนใดมีอะไรหนักจะรู้อันนั้นก่อนเพราะราจะจับของที่หนักฟุดออกไปอย่างแรงแล้วก็เห็นกระจายกันไปทั้งหมดเลยอย่างเมื่อเข้าใจอย่างนี้เวทนาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์ปิญญาไม่ทุกข์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 ถึงจะเป็นคนเดินดินกินข้าวไม่ทุกข์ก็เป็นเทวดาได้อาตมาเคยพูดกับคนบางคนนะแต่บางคนก็จำได้บางคนก็จาไม่ได้เรามีบ้านหลังคากระสอบเล็กๆคำว่า เ, เรามีบ้านเล็กๆอยู่หลังคามม่แฝกกินข้าวกับหมกปลาแดกแเราทานาทาสวนเดินดินได้ แต่ไม่ทุกก็เป็นเทวดาได้แต่พวกเรนี่มันต้องพูกภาษาบ้านเรายู่บ้านหลังไม่น้อยหลังคามุงแฝกจิงเข้ากับหมกกระแดกแล้วก็ทํานาทําสวนได้ไม่ทุกก็เป็นเทวดาได้หรมันรู้ไหมหมาอ๋อน้องเทวดานั่นมันไม่ใช่ว่าเหาะไปอย่างนั้นไม่เห็นเทวดาจะเป็นเทวดาได้ไม่เป็นไม่ได้นี่มันเป็นไม่ได้จริงๆไม่เป็นการปรารถนาขอร้องเป็นไปไม่ได้ จริงๆที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้ถ้าเราไม่เห็นจะไปถูกไหมสมมติกรุงเทพอยู่ทางทางนี้นะเราเดินไปทางนี้เดินไปจนตายจะถูกไหมไม่ถูกคนมาถามวันนี้อีกคนหนึ่งผู้เทศฟังเขาก็เรียนสูงพอสมควรแต่เขาไม่ดูพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจยังไงก็เข้าใจว่าเจ้าชายกฤษฎาุ ม, มานเกิดขึ้นมาแล้วให้ฐ า, านรักษาชิน ทำกรรมฐานทําต่อกันไปต่อกันไปอ่ะทําไมต่อกันได้มันจะติดต่อกันได้ทําไมมันทาไม่ถูกตัวนั้นเองพูดยังไงเขาก็ไม่ยอมเข้าใจเมื่ไม่ยอมเข้าใจกันแล้วเรื่องของเขาแล้วก็พูดอะไรให้เขาไม่ได้ไม่ใช่ทำกรรมฐานและการเรียปพัสธนาต่ออันนั้นเป็นการเข้าใจของบุคคลผู้บรรลุเรปริพนากับกรรมฐานมันเป็นคนละเรื่องการให้ทานรักษณะมันเป็นคนละเรื่องแต่ทุกคนต้องทําได้ ให้ทานทำเป็นทุกคนรักษาศีลรักษาเต็มทุกคนทนํากรรมฐานทําเป็นทุกคนเรื่ปรัชนานี่ทําเป็นทุกคนแต่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันสำคัญไหมเนื้อตาเรามันดีแล้วก็ตามมันเป็นแผนลนะแผลที่หนึ่งลูกน้ำแผลที่สองทำขาวให้เออทำทำให้เป็นขาวทําหนักให้เป็นเมาทำยังดําอย่างแดงให้มันจืดไปว่าจะนึกกันได้เนี่ยันที่สองเรียกว่า เป็นอะไรเอบุคคลคัค้นทีสอบใครจะพูดยังไงก็าตามเดี๋ยนี้เล็กป้าพูดยืยนยันรับรองว่าเป็นได้ทุกคนเป็นยังไงวันนี้ก็มาดูใจเรานี่เอ ง, เองมันจะโผล่หน้าขึ้นมาเหมือนแมวกับหนูนี่แหละเห็นนิ้วปาดเรามันดูแล้วกว็ตามมันเป็นเพลงนะแผลที่หนึล่ลูกนามแผลที่สองทำขาวให้ เราทำทำให้เป็นขาวทำหนักก็เป็นเบาทำย่างดำย่างแ ด, ง, ดงให้มันจืดไปว่าจะมันก็นได้นี่ยันที่สองเรียกว่าเป็นอะไรเอบุคคลคันที่สองใครจะพูดยังไงก็ตามเดื่นี้จะกล้าพูดยืนยันรับรองว่าเป็นได้ทุกคนเป็นยังไงวันนี้ก็มาดูใจเรานี่เองมันจะโผล่หน้าขึ้นมาเหมือนแมวกับหนูเนี่ยเห็นกิเลสเห็นรู้เข้าใจสัมผัสได้ เหลือการหาอุปทานคำเนี่เป็นอันดับสามแล้วเนี่ยจิตใจเปลี่ยนอันดับสามเข้ามาแล้วมันเป็นยนนัอ๋อที่เราไปยึดไปติดกูทํำงานนี้เป็นอย่างนั้นพรุ่งนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเราไปยึดไปถืออดีตอนาคตมันแก้ไม่ได้ต้องแก้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันเห็นปัจจุบันเมื่อเห็นรู้ปัจจุบันแล้วมันก็เลยหมดสงสัย นี่ไปอย่างนี้นี่ต้องเข้าใจมาอย่างนี้ความจินแล้วกิเลสมันไม่มีตัณหาไม่มีุปัฏานไม่มีกรรมเขาเรียกว่าตามตัวหนังสืเขาเรียกวิาววบากกรรมต้องมีไป้วยอารมณ์ขำว่ากิเลสมันหมายถึงอย่างเหนียวมันละไม่ได้เลิกไม่ได้อย่างที่คนที่มันติดอะไรแล้วมันเลิกละยากดันั้นจิตใจคนมันจึงไปข้างต่ําอยู่เสมออย่างกิเลสตัณหา หมายถึงมันติดอุปทานแข็งแข็งตัวทับไม่แตกขยีย้ไม่ออกมันเป็นกรรมเขาได้รับทุกตลอดเวลาเดี๋ะจะเป็นใครก็ตามที่พูดเนี่ยถ้าหากว่าคนได้รู้อย่างนี้แล้วก็เขาจกว่าสัตว์เอกสารก็ได้จะวันอะไรก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติเราเห็นสมมุติจริงๆนี่เขาเรียเข้าใจปรมัดเนี่ยเข้าเขาว่าเข้าใจปรามัดผาทามอัตถบรร ญ, ญับ อริยบัญญัติเขาว่าอย่างนั้นที่พูดนี่ญาติโยมรู้จะจําได้แต่บางคนอาจจะจําไม่ได้ไม่เป็นไรพอดีทำไปบนันี้เมื่อรู้สิ่งสิ่งเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างอยาบสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างตารปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอยีอยดถ้าหากมีโทสะโมหะโลภะอยู่แล้วสิงไม่ปรากฏ ถ้ามีกิเลันหาอุปทานอยู่แล้วสิ่งไม่ปรากฏคนนั้นจะถือว่ามีสิงก็ได้ไม่มีสิงก็ได้สิ่งที่ไม่ปรากฏเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราจะมีได้ทำไมเหมือนกับโยมมีนาฬิกานะเห็นนาฬิกาคุณไหมมือแขนไม่เห็นนะเยมีนาฬิกาแล้วก็มีเมื่อเราคุณมองนาฬิกาอยู่แขนคุณคุณมีนาฬิกาอยู่แต่คุณมองไม่เห็นก็แสดงว่าคุณไม่รู้ไม่รู้ว่านาฬิกาเดินไปถึงไหนเวลาเท่าไหดเนะคุณไมรู้ก็เหมือนกัน สิมจุมะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยนาสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลออสเเ อ, เลอย่างกางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกปรากฏขึ้นมก็สแสดงว่าเรามีสินตั้งแต่บัตรมือเป็นต้นไปแต่ต้องเข้าใจอย่างนั้นอันสินตาณนาะอะทุนาอะพระมัจริยาโมสาสุลาอันนี้ครับคุณน่าจะคิดถวะอุจาานระอันนั้นก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะสิมสองรอยี่สิบเจ็ดก็ดีดี แต่ไม่ใช่สินอันนี้สินอันนี้มันไม่ใช่สินอันนั้นสินอันนั้นไม่ใช่สินอันนี้มันเป็นคนเรื่องจิตวิธีต่อกันไม่ได้อย่างที่คนถามวันนี้นะ่ะทํ า, า, ากรรมฐานแล้วก็ยกระดับจิตไปเจอเลยนิพพานต่อเอาคุณต่อได้ก็ต่อไปคุณต่อ ไ, ไ, ไม่ได้ก็เรื่องของคุณเขาเลยพูดเข้าอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกันให้ญาติโยมเข้าใจว่ามันติดกันไม่ได้มันเป็นคนละช่วงเจ้าของจะเดินทางนั้นก็จะเดินทางนี้ เดินทางนั้นก็นได้ไม่มีใครจับเดินทางนี้ก็ได้ไม่มีใครจับแต่ว่าคุณจะไปทางไหนเลือกเอาเองเรื่องชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมีสิ้นแล้วแปลว่ากิเลสยางยาวหมดไปแล้วถึงไม่หมดก็ น, น้อยที่สุดกิเลสยางยากแล้วก็รู้จักสมาธิทันทีสมาธิไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาเมื่อวานนี้ก็ทำํำพูดให้ฟังมีคนมาศึกษา อสมวเขาไปทำไฟฟ้าแลงสูงยึดในจังหวัดขอนแก่นและวันนี้เขาทำกรรมฐานม า, า, มมาแล้วเป็นเวลาเจ็ดปีเขาว่ายังที่นี่เป็นเรื่องเจริญนิพพานที่เขาไปศึกษาไปสนทนาก็ใช่ว่าถามกันไปถามกันมาผมก็ทำมาแล้วเจ็ดปีแล้วเอาทำยังไงคุณเขาถอนตัวมันทำอย่างนี้ อตาตมาก็นั่งดูอตาตมาก็มีกระจกตาเขาก็มีกระจกตาหลับตาอเอาเอาหลับตาแล้วเอาเว่งตาออกมานละ้เขาก็เอาเบ่นตามาวางไว้ตรงหน้าเขา <c oughs> อตาตมาก็เอาเบ่งตามาวางไว้อตาตมา <c oughs> เขาได้ทีแล้วขอน้องอย่างนี้ประมาณจากสามสี่ห้านาทีอตาตมาก็จับเขาเบ่งตาเข้าอย่านี้เลยไปวางไว้ข้างหลังประมาณนี้แม่ทํานาก็เลย เอาคุณคุณเล่นตาดูเลตาดูเล่นตาคุณไปไหนอ่ะไม่สั่งอ่ะมีคุณไม่มีโทษนี่เปิดโทษเขารู้จักทันทีคนมีปัญญาเล่นแต่คนที่อยากรู้ไม่คิดไม่อย่างที่คนถามว่านนี่ยจะเล่นกรรมฐ า, านแล้วจะรู้ปราานินร า, านต่อได้ไหมอ้าจะเล่นนี่ปริศนากรรมฐา น, ม, าานมันจะต่อกันทําไมเรื่องนักษาิีลมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องให้ถาม เรื่องให้ทานมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องรักษาสินเรื่องธรรมกรรมฐานมันก็นไม่ได้เกี่ยวข้องเลยให้ทานเรื่องที่ปริณามันไม่เกี่ยวข้องกับสมถะมันคนละเรื่องอย่างนั้นคนมาเทศอะไรสอนอะไรปร ะ, ป, ะปนกันไตหมดไม่ก็เลยรู้ยากเรื่องนี้วันนี้เมื่อเรามีสินแล้วก็รู้สมาธิได้ทันี้สมาธิไม่ใช่แต่ไนสมาธิหมายถึงคนเดินไปก็เห็นผู้หญิงผู้ชายเห็น พอมีอะไรเห็นคิดแต่เราคิดก็เห็นอ๋อนี่สมาธิหมายถึงตั้งใจไหมเห็นจิตใจตัวเองมันนึกมันคิดแล้วคนเดินผ่านไปผ่านมาก่อนโอ้นี่สมาธิอ๋อสมาธิแต่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิอันนั้นอันนั้นค่ะว่าถ้าสมาธิอันนั้นหลักต่อติด ป, ปูนหินเป็นสมาธิทางนั้นคนนอนหลับ ก, ก็เป็นสมาธิทางนั้นสมาธิแบบนั้น ดีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ดีถ้าพูดอย่างนี้คนที่ทําสมาธิอย่างนั้นอาจจะไม่พอใจที่ถ้าไม่พอใจน่ะท่านทุกแล้วท่านทุกแล้วรีบตัดทันทีเลยออกอาจจะจริงนะมั่งกลับมาศึกษาทันทีได้แต่คนใดพูดให้ฟังคนจริงจะเลยไม่ถูกใจมันถูกใจคุณแล้วทําไมจึงว่าไม่ถูกใจมันถูกใจแล้วลูกสอนมันเหน็บเข้าไปแล้วจะเจ็บแล้วเราไม่รู้เพียงแค่นี้เอง เราไม่รู้ลูกสรเขายินเข้าไปซับใสหัวใจเลยถูกหัวใจแล้วมันเจ็บมันก็เลยไม่ถูกใจนะมันถูกใจแล้วมันเจ็บแล้วเที่ยทันทีเขาว่าอย่างนั้นดังนั้นจึงนำมาคุณให้ฟังคำว่าสมาธิไม่ได้หมายถึงอันนั้นให้มีวคนรู้สึกตัวอย่างนี้แหละปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดอตอนนี้เลยรู้เรื่องการทาบุญ ด้วยกายทำบุญด้วยวาจาทำบุญด้วยใจเรือทำบาปด้วยกายทำบาปด้วยวาจาทำบาปด้วยใจนี่พันรู้รู้มาอย่างนี้เมื่อวันนี้ก่อนที่จะรู้เรามีสิ่งจำพวกที่จะทำคนสงบจะร้อยใฟังทำคนสงบเขาไม่รู้ว่ากามคนหมกมุ่นอยู่ในกลางเขาบอกหมกมุ่นในกลามเข า, าไม่ใช่หมกมุ่นในกลามอย่างที่เราคิดกันนี้ หมกมุ่นในกาม ก, กามาสาวะภวาสาวะอวิาสาวะสาวะกามเนี่ยหมายถึงติดอารมณ์มันสงบภาวาสาวะมันเป็นพุกเป็นชาติอยู่ฉะนั้นมันทุกข์เมื่อสงบออกมาแล้วไปสู้อารมณ์เขาไม่ได้โกรธขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์นรกติดไปแล้วที่บอกคนหมกมุ่นอยู่ในกามไม่ใช่กามหมกมุ่นกับผู้หญิงผู้ชายอันนั้นเป็นเรื่องของคนธรรมดาเรียกว่าว่าเนี่ เขาบ้านแม่เลินเขาว่าผ้าโสดาบันบุคคนนี่เขาว่ามีครอบตัวผัวเมียใชตามตัวหนังสือแต่ตัวแตมาไม่ค่อยรู้มากเท่านั้นเนาะไม่ค่อยเข้าใจอย่างนั้นนี่อันนี้มุ่นในกามอันนี้มันยิ่งหนักกว่าในกามอันนั้นอีกแล้วตามตัวนี้เขาหมายถึงว่าตัวทุกข์หมายถึงตัวทุกข์โดยเฉพาะกามเป็นทุกข์ภาว่าสาวะแปล ม, มีพบมีพาดในตัวมันเอง าอาวิสาคือปิดไม่รเมื่อทำมาเห็นมาลูอันนี้หะยเลยเรื่องสมาธิที่ไม่ต้องสงสัยใครจะโพดยังไงก็รู้หืมจิตใจเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นอันดับที่เกิขึ้นมาแล้วอันดับที่ห้าอันดับที่ห้านี่เขาต้องรู้รู้มันจะถอนผมออกบนศีกษาเหล่านี้เลยมันจะรู้ รูจ้จริงๆเพราะมันเป็นได้มันยังรู้เมื่อไม่ไม่เป็นมันไม่รู้ไม่ใช่รู้แล้วจึงเป็นไลยไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นแล้วจึงรู้คนทุกคนเคยเขียนหนังสือเคยเรียนหนังสือเรียนและขณะเรียนนั้นไม่รู้เมื่อเรามาเขียนหนังสือเป็นที่เรียนว่าเรารู้หนังสือจริงหมไง <allah> ๆอะไรทั้งหมดเลยบวกทบคุณหารเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเมื่อมันถอนออกแล้วถอนล่านั่นมันรู้จักชีวิตจบจบของชีวิต ทุกคนมีแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ไม่รู้สิ่งนั้นไม่ปรากฏขนาดเมื่อสิ่งนี้ปรากฏแล้วคนนั้นก็รู้ทําไมจึงศึกษาไม่ได้คือว่าคนใดข่าเพราะทีแม่ค่าอะไรเป็นอ น, นันตก็เรื่องการศึกษาไม่ไม่จึงไม่ได้เพราะไม่มีในคนเนี่ยอันนั้นไม่ได้กับเพราะว่าคนนั้นรู้ไม่ได้มันก็ไม่ได้เหมือนกันที่ยวตะมาพูดเนี่ยตะมากล้าได้จะมีเงินร้อยล้านพันล้านซื้อได้ไหมไม่ได้ ไม่มียงจากสตางแดงเดียวปฏิบัติใดไม่ได้คนมีเงินร้อยล้านพันล้านมาปฏิบัติใดไม่ไดเพราะของที่มันมีในบุคคลคนนั้นแล้วคนต้อศึกษาเข้าไปมันตรงนี้รู้อันนี้จริงๆไม่รู้ไม่ได้สมมุติคุณเดินไปที่เนี่ยเดินจากบัานไปนี่มันต้องข้ามถนนรถไฟใช่ไหมทุกคนเดินไปนี่จะจะไม่เห็นถนนรถไฟได้ยังไงอะถามทุกคนจะเห็นไหม ถนนรถไฟนะยกเล่นไม่ได้ดังนั้นทุกคนต้องศึกษาได้ธรรมะที่อาจารมาพูดนี้จึงกล้ายืนยันว่าไม่พลาดและไม่ผิดแต่อาจจะพลาดคนอื่นอาจจะผิดคนอื่นก็ได้ตัวของตัวเองกล้ายืนยันว่าไม่พลาดไม่ผิดเจ้าของจริงเนี่ยมันต้องกล้าอย่างนี้ถ้าของไม่จริงกล้าไม่ได้แค่น้นเนี่ยคนจะเหาะไปสี่เหาไปขึ้นบินจริงเนี่เหาะไปขึ้นบินก็มองเห็นก็ต้องเห็นถนนรถไฟ เดินไปก็ต้องข้ามรถไฟเครื่องบินก็ต้องข้ามทางในรถไฟไปจริงๆันตู้นั้นถ้าจะเดินไปทางนี้ก็ไปเห็นที่สถานีบางบํารุเห็นจริงๆอันนี้เป็นสถานีบางบํารุก็จะรู้ตัวหนังสือมาจริงๆถ้ามันไม่มีม็นจะรู้หำไมันมีมันต้องรู้ถ้าเราเดินไปให้ถูกทาง น, นะต้องรู้เรื่องนี้แค่นํามาเล่าให้ฟังตอนที่เข้าใจเรื่องนี้ทุกคนเคยได้ยินมาแล้ว พระพุทธเจ้าตัดสรุ้เป็นพระลาหันผมพระพุทธเจ้าเนี่ยคาสองข้อมืหอหน่อยตัดทีเดียวไม่สั้นเลยได้ยาวอันนั้นคำพูดของคนไม่รู้ของคนไม่รู้คนไปจำมาจากตำรามาพูดแต่เอาดีเหมือนกันอันนั้นผูกหน่อยไม่ถึงร้อยกปอตจริงๆถ้าพูดอย่างตมาพูดเนี่ย มันเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติแล้วตายแล้วธรรมชาติของท่านตายแล้วมันเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนั้นจึงว่าเขามันมีปัญญามากเขาตัดทีเดียวก็ได้เราอาจจะเป็นปุถุชนคอยดูตามเห็นตามตัดหลายครั้งหลายหนก็ได้เหมือนกันก็เลยเข้าใจะอ๋อเรื่องนี้เองเรื่องนี้เองจบเรื่องจิตของเราปัญหา เ, เรื่องจิตมาจบแค่นี้ไม่ใช่ไปเรียนพระเตลพิฎก รู้จักเลยคนทุกคนเนี่ยอ้าวพูดเรื่องนี้ก็ต้องพูดให้มันจบเรื่องต้องหิ้ไม่พน้นจรื่องมดลมหายใจต้องประสบการณ์เรื่องนี้จริงๆถ้าไม่ประสบการณ์เรื่องนี้สิ่งนี้ไม่ปรากฏคนไม่อยองตายไม่ได้ทรมานอยู่นั่นแหละเรื่ทุกขเวทนาทุกโศกโศกาทุกให้ําไพ่อยู่ตลอดเวลาเมื่อสิซีนิปเรากรา่การปลุกเขาจะดับดบไปทันทีเลยจึงว่าควรศึกษารเรื่องซีนิปเนี่ย มันทุกคนต้องมีแหละกล้าได้บอกว่าไม่พลาดไม่พลาจะพาดทำไมเพราะคนมีชีวิตเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ตายเป็นเหมือนกันเนี่ยแต่คนมีที่มันต้องศึกษาได้ที่เมื่อรู้ธรรมะอันนี้เราจะเป็นยังไงไม่เป็นอะไรนะก็ทํานาทําสวนจริงอย่างที่พูดเนี่ยอยู่บ้านหลังเล็ ก, ลกหลังคามุงแฝกแล้วกินข้าวกับหมกปลาแดกก็ทํานาทําสวนไปอย่างว่าเนี่ยแล้วก็ไม่มีทุก เนื้เป็นข้าราชการเป็นตำรวจทาหารเป็นครูปรสบาลเป็นอนาคอตามทำการทำงานไปตามหน้าที่ต่อไม่ทุกข์แล้วกันคนมันทุกข์แต่คนทุกข์ไม่รู้จักทุกข์เดี๋ยวนี้เมื่อพูดเรื่องนี้ก็จะพูดเรื่องที่คนไม่รู้จักทุกข์ให้ฟังสักเล็กน้อยเพราะว่ามีสองคนด้วยกันไปรักษาศีลขวายันวันนี้คนหนึ่งรักษาศีลบริสุทธ ผลรักษาศีลไม่บริสุทธิ์ผลรักษาศีลบริสุทธิ์ตาย แ, และะ้วจะเกิดเป็นเทวดาคนรักษาศีลไม่บริสุทธิ์ตายแล้วจะเกเป็นหนอนลอยเมื่อตาคนตั้งตายแล้วก็สแสวงหากันเมื่อแสวงหากันหนอนมันไม่มีโอกาสจะแหงนหน้าขึ้นไปบนฟ้าได้เทวดามีโอกาสมีเวลาที่จะก้มหน้าลงมามองพื้นดินได้เมื่อก้มหน้าลงมาพื้นดินก็มาเห็นเพื่อนเราเป็นหนอน ก็เลยมามาหาเพื่อนอ้เพื่อนทำไมอยู่ที่นี่เจ้านอนก็เลยถามอ๋อเพื่อนไปที่ไหนมามาจากเมืองสวรรค์เป็นเทวดาอ๋อไปย้่ยกันในเพื่อนถามนอนนอนก็เลยถามเทวดาเมืองสวรรค์มีคุณสมบัติอะไรดีถามเทวดาเทวดาก็เลยตอบว่าออเมืองสวรรค์มีของทิพย์อยากไปบ้านสวยๆยิกเอาก็ได้ อยาได้เสือ้ออยากได้ผ้าอยากได้อะไรสวยๆนึกเขาก็ได้พอ<ฮ><ฮ>เสี้ยวเพื่อนเะ น, น, นิ่นไม่เล็กเอาน้ำมันสวรรค์เพรเป็นยานั้นในเมืองสวรรค์ไป อ, อยู่ด้วยกันนะพูดอยาไปไม่ได้แนะั้ว อ, อยู่นี่ยไม่ได้นึกอะไรเพื่อนเะนิ่นเนี่ยเป็ น, นควาสุขไม่เหมือนกันความทุกข์ไม่เหมือนกันมันเห็นทุกเป็นสุขเห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นโกงสักวเป็นดอกบัวเห็นคิดเป็นทุกข์แล้วเราก็พูดกับคนใดจะเข้าใจได้เรืนี้ เข้าใจไม่ได้จริงจริงเนี่ยก็เลยพูดนี่มันเป็นอุจลาเพื่อนนี่ก็เป็นของเรียนอ๋ออุจลาะจะเพื่อ น, นอุจลาเนี่มืองสวรรค์มีอุจลาไหมไม่มีเพราะมืองสวรรค์เป็นของคิปยออถ้าเมืองสวรรค์ไม่มีอุจลารเราไปไม่ได้เพราะเราสนุกกับอุจลาแล้วคนกาลังทางชั่วพูดชั่วคิดชั่วกว่าเช่นเดียวกัน เราจะพยายามให้เขาเลิกละจากคมชั่วมันกำลังอยู่โดยทวกอยู่นังคนยื้ด้วยทุกกินด้วยทุกเราจะพยายามพูดโดยวิธีใดแงใดแงหนึ่งให้ฟังเมื่อเขาไม่รับแล้วค่ะเอาแหละพอแล้วอย่าไปพูดให้มันมากเราเอาได้เท่าที่คนเอาได้อย่าเข้าใจว่าคนมีเงินลอยล้านไม่คุกไม่ใจเนเขาสนุกแต่สนุกคุกเขาเขาสนุกด้วย การด้วยทัพสมบัติที่เป็นวัตถุนั้นเขาสนุกไแล้วก็จริงจริงของเขาแต่เราจะว่าเขาไม่สนุกไม่ได้เหมือนกับนอนนั่นแหละนอนมันก็เบือ่อฉลาดสนุกเทวดาก็ว่าของเทปสนุกมันไม่เหมือนครับดังนั้นเรื่องชีวิตจิตใจนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะทุกคนหาซื้อชีวิตกันมไม่ได้ถ้าเรานึกได้อย่างนี้แล้วต้องศึกษามีนั้นก็ต้องศึกษา ไม่มีก็ต้องศึกษาไม่ศึกษามากก็ต้องศึกษาให้ให้รู้ประวัติคนอย่างดีดีกว่าไม่รู้เรื่องชีวิตเนี่ยทุกคนเคยศึกษาเราเรียนเคยไปหลายจังหวัดเมืองไทยเนี่ยมีสี่สิบกว่าจังหวัดมีจังหวัดไหนขายซีลิคนไม่มีบันี้ประเทศนอกอย่างฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันอเมริก า, าที่ไหนก็ตามเนี่ย เคยมีบริษัทขายชีวิตคนไหมไม่มีหรือไป น, นอนใจทําไมเรื่องนี้ตอนนั้นมันอย่งวิ่งเต้นเอาชื่อเสียงเกียรตินกเอาเงินเอาทองเลือชีวิตตัวเองเมื่ อ, อไรจะศึกษาปล่อยให้ชีวิตมันล่วงไปล่วงไปก็ว่าันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่มันไม่เข้าใจพูดได้วันคืนล่วงไปล่วงไปเราศึกษาชีวิตเราไปด้วย ไปทำมาหากินศึกษาชีวิตเราไปด้วยให้มันจบกับหลักชีวิตของเราได้แล้วก็ไปเทือไหนก็ไม่เดือดร้อนพระสง์องค์เนรเ ม, มก็ได้ไม่ต้องทำลายนะพูดอย่างเนี้ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้อืมพระทศลุ่มีมก็ได้ไม่มีก็ได้มันเป็นเรื่องที่เราควรรู้เคยมีคนโบราณท่านสอนเอาไว้ว่ากราบพระพุทธอยากให้ไปถูกทองคำกราบพระธรรมอยากให้ไปถูกใบลานหรือตู้กําพี ภาพพระสงฆ์่าให้ไปส่วนลูกสนหลานเขาพูดกันคนโบราณอันนี้ก็น่าคิดเน่าคิดจริงๆพระสงฆ์อยู่ที่ไหนพระสงฆ์ก็คือที่บุคคลที่รู้อัตถะบรรจับตัวเองขั้นต้นที่สุดรับรองว่าทุกคนเป็นได้ผู้หญิงก็จะปรากฏตัวเออเราเป็นพระได้แล้วผู้ชายก็จะปรากฏตัวเราเป็นพระได้แล้วพระแบบนี้ไม่มีเครื่องหมายเหมือนผู้ใหญ่บ้านกำนัลไม่มีเครื่องหมายจริงๆ จะเห็นจิตใจเขาได้ไม่เห็นไม่ได้เขาทํายังไงเห็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่นำมาเล่าให้ฟังเราทุกคนจิ้นใจดังนั้นพุทธศาสนานี้ถ้าเราไม่ศึกษาอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์กับพุทธศาสนาเลยคําสอนของพระเจ้าเนี่มีหนักเทนินไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆถ้าเรามาศึกษาเรื่องโอคําสอนของพระเจ้าจะเป็นเท็จเม้นกินดามีค่า ม, มีราคามากที่สุดในเรือง อย่างไปเชื้อคนนั้นคนนี้มีละเบียกมีวิใยอันนั้นก็ดีแล้วแต่ทำให้ปัทาเขามั่นคงดีแต่ว่าอาจจะเป็นหลอกเฉพาะหน้าก็ได้อาตมาเคยเป็นแต่เมื่อสะใหยสินโยมติดพระอาตมาคนจริงนะเนี่ยติดสายธรรมนุ์มากเพราะพระธรรมนุ์เป็นเข็บลักข้างในพูดคนจริงไม่ใช่พูดเพื่อเจอ้ออันนี้ผู้คนจริงเขาก็เป็นผู้มีซื่อเสียง เขาว่าไม่ต้องจับเงินจับท้องนครเอาให้ประเทศเที่นั่นไปแต่ว่าเราเป็นโยมเป็นมร า, าดาอายุหรือเป็นอะไรต้องจับให้จับประเทศเลยครับผลที่สุดเขามีเมงินเป็นล้านเอามาจากที่ไหนเงินอันนั้นเอามาจากโยมแล้วมันมีเคล็ดลับแต่ว่าอะไรอะไรเขาซ่อนกันทั้งหมดเลยพวกธรรมจุติหลวงพ่อรู้ดีแต่การมาบว่อขาวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ไปเปกก็นธรรมจุติได้เขาให้ขั้นทันธีเลยอายุพรนศายี่สิบก่ปีเลยเขาให้เลยเขาว่านี้ไม่ต้องนุกอายุเลย เขาพูดอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ไปแต่ไในสึกษาเดีกว่ายังไม่สึกวันนี้แตุ่ันนี้ไม่แน่นอนอาจารมาเคยพูดอย่างนี้ทุกคนถ้าเห็นหนะ้าอาจามาพูดได้อย่างนี้สึกไม่ลงตาสึกเมื่อจะสึกยังไม่ถูกดีนี้ยังไม่สึกวันนี้ยังไม่สึกพรุ่งนี้อาจจะสึกก็ไดไ้สึกก็ได้เรื่องสมมุติเราต้องรู้อย่าไปยึดไปติดอย่างมันแต่เราให้รู้จักว่ามันดีมันดีมันอาจจะเรวก็ได้ เราต้องเข้าใจมันดีอาจจะเลวก็ได้เราต้องเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นธรรมคําสอนของพระพุทเจ้าจึงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปแมปรผัน afe, ไม่สูญไม่หายไปไหนจงมา ม, มั่นคงถาวร อ, อยู่ตลอดกาลจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มันก็มีอยู่อย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มีอยู่อยนั้นจะมีผู้รู้มันก็มีอย่อย่างนั้นจะไม่มีผู้รู้มันก็มีอยู่อยนั้น เรื่องธรรมะนี่เป็นเรื่องสําคัญถ้าหากว่าเราถือศาสนาพุทธจริงๆไม่ต้องศึกษาอะไรอื่นมากศึกษาเรื่องชีวิตให้มากถ้าใครศึกษาเรื่องชีวิตแล้วนั่นแหละเขาเป็นชาวพุทธจริงๆถ้าเขายังไม่ศึกษาเรื่องชีวิตแล้วก็เป็นชาวพุทธโดยคำโนโควัวเท่านั้นเรื่องชีวิตเป็นที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆเรื่องอื่นไม่เกี่ยวข้องเคยได้ยินไหม คนวานนี้ก็พูดก็พูดอีกแล้วกลับไปกลับมา ม, มาทํากรรมฐานด้วยกับอาจารย์สองคนได้สมาบัตเต็จได้เป็นพระพุทธเจ้ามัหมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตัดสลูไหมไม่ได้ตัดสัลูออกจากนั้นแต่อดข้าวอดน้ําอั้นลมหายใจเป็นพระพุทธเจ้าไหมไม่ได้เป็นเมื่อจะได้เป็นทนายพระพุทธเจ้าไปกินข้าวนางจีสารเขาเขารู้เหมือนกันเนี่ยต่ที่ถามอ่ ถ้าข้าพระเจ้าจะด้ดทะลุเอาธาตเพื่อคังแบบนี้วางลงน้ำ น, นี่มันทวนกระแสะของ น, น้ำถ้าจะไม่ตัดช่วมันไหลไปตามกระแสเขนานะเขารู้มันได้แล้วคุณรู้ได้ยังไงก็เขาพูดให้ฟังเขาพูดไม่ใช่เราพูดเขาพูดเอาเราทําไมจะไม่พูดเพราะเรื่องอะไรถ้าพูดจริงๆกขาว่าคนลืมตัวคนลืมตัวได้เหมือนกับคนตายแล้วใครใครก็ตามที่พูดนี่อาจจะมาลืมตัวอาจจะมาก็ตายแล้ว โยนลื่นเกี้ยก็โยมก็เป็นคนตายแล้วเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ตายเน่าเข้าลงไม่ได้ตายหมดชีวิตตายเพราะจิตจะเหมือนลื่นบอดเหม็นเปียกแฉะจิตวิญญาณมันเน่าเหม็นเปียกแฉะอยู่ภายในใจิตใจท่วงกระแสะของน้ําก็ไม่เอื่อนไกลคณอยาเข้าใจมัก็ดูจิตของคุณนี่มันคิดกี่ครั้งมันคิดเรื่อยๆผมมันอ้าวมันคิดคุณมันรู้คิดแต่ไม่ได้เห็นผมคิด เห็นมีคนคิดมันต้องหยุดคนคิดได้อ๋อมันจะหยุดทําไมมันคิดมันก็สนุกดีโอกกดจริงคุณคิดมันก็จริงแล้วแต่ว่าอันนี้คือว่าเห็นเนี้ยมันจะหยุดเร่งนี้มันไม่น่าคิดเห็นแล้วมันหยุดไปทันทีกดคิดมันเองทวนกระแสของน้ําคือทวนกัรกระแสของน้ําหนักของจิตใจท่านทวนไปเถึงกระแสที่มันคิดทุกลูคิดบุกลุกกันต้นน้ําอ่ะต้นน้ําคือที่นี่แหละไม่ใช่น้ํา อเมันซอนมันฟาที่ไหนไม่ใช่นอนเจ้าจพญาที่ไหนละ่ะต้นน้ําคือต้นนี้แหละรับรองบ่าวะนี่ของจริงต้นนั้นเมื่อมาจับจุดนี้แล้วก็รู้จักมันจะปรากฏเรื่องใดมันก็้องรู้จักใครใครก็มีอย่างนี้ทําไม่จะคือศีลมนุษย์ทาต่อครับวาไม่จะต่อทําไมมันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องสมาธิมันเป็นคนละเรื่องเรื่องนี้มันเป็นคนละจะามาติดมาต่อกันได้ทำไมเรื่องศึกษาให้สั้นๆทาไมจะไม่ต้องการคนเนี่ย ต้องการพูดให้ฟังด้วยความจริงใจสั้นๆไม่อยากเอาอยากเอาสิ่งที่มันทํายากอาตอมาขอพูดคนจริงให้ฟังถามบ้านอาตมาเราสร้างโบสถ์ปีเนี้มีไหมไม่มีเงินจะมีอะไรต่อเราขายปลงก็ได้อ่าทํานาไม่ทมาํานาขายข้าวขายข้าวก็ได้ไปซื้อเอาของมาแล้วปอนยังไม่ได้ขายข้าวยังไม่ได้ขายถามได้เรื่องชีวิตตัวเองทําไมจึงไม่ศึกษาเป็นเพราะเรื่องอะไร นี่มันเข้าใจไปอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ห้ามนะเรื่องนี้แต่ให้ทําแต่ว่าดังงงก็ตามให้ศึกษาอันนี้ก่อนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจําเป็นมันเป็นเรื่องจําเป็นเรื่องชีวิตเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วไปที่ไหนไม่พน้นไม่พ้นจริงๆเขาเลีย ว, วัดตักคือวงกลมหมูนก็อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาที่จะนามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็พูดถึงความจริง มาจากจิตใจมันเห็นอยู่นี้ตลอดเวลาจากเพื่อนหมาวิเทลก็ต้องเห็นอยู่นี้ทุตลอดเวลาเ่ยเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันบางคนอาจจะรู้แต่ไม่เห็นก็ได้ถ้าเห็นแล้วมันจะหมดสงสัยเรื่องขมโกขโ่มลบข่มหลมงอยู่ที่นี่ไม่มีใครโกโเตอันนี้แหละตัวที่ของคนจริงๆรงิตัวที่ของคนจริงๆมันไม่ทุกมันไม่สุขเขาเยวาวานิพพานนิพพานไมื่าตายแล้วจริงเอา ทุกขับสุขเป็นของคู่กันอันไม่ทุกไม่สุขเนี่ยเป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของชีวิตตัวเองมันไม่เคยทุกข์ไม่เคยสุขที่ทุกข์เขาเรื่องอะไรเขาเป็นโศกสะแล้วโมหะแล้วโมพาแล้วดีใจดีใจเป็นสุขไหมดีใจเป็นสุขนั่นเป็นทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าที่มาสอนว่าทุกขับสุขเป็นของคู่กันราจากทั้งหมดเลยไม่เอาทุกข์เลยไม่เอาสุขเหนื้อทุกข์เนื้อสุขคําว่าเนื้อทุกข์เนือสุขก็แปลว่าเสยเสย ก็บอกอุปเตขาเฉยเฉยวางเฉยก็ได้ไม่ใช่วางเฉยไม่ลงผ้าไม่ใช่อย่างนั้นคือวางเฉยของเรา้อเนี่ยคนไปทํำลายอะไรไม่ต้องพูดต้องจาไม่ใช่อย่างนั้นบางคนวางเฉยมีทรัพย์สินที่นี้เป็นล้านๆใครมาเอากระวางเฉยไม่ใช่อย่างนั้นให้เข้าใจวางเฉยคือจิตใจบันเหนือจากสิ่งเหล่านั้นให้เข้าใจอย่างนี้ให้รู้จักสมมุติจริงๆที่นํามาเล่าสู่ฟังในวันนี้ ก็เห็นว่าสมควรเกิเวลาแล้วจึ่งขออยู่ได้เฉียงแค่นี้